จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเป็นวันพระมัรรมสวรรควันํมมรนนำระกายวาจาใจให้สะอาด เพราะความสะอาดของกายวาจาใจนำความสุขมาให้ความไม่สะอาดของกายวาจาใจนำความไม่สบายใจมาให้ถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขความสบายใจเราก็ต้องบัญญัติลางกายวาจาใจเราอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับที่เรา ทำความสะอาดเสื้อบ้านของเราทำความสะอาดเสื้อผ้าของเรารถยนต์ของเราเพราะเรารู้ว่าความสะอาดนี้เป็นความสุขความสบายใจส่วนความสกปรปกนี้เป็นความไม่สบายอกไม่สบายใจนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขใจมีความสบายใจ ไม่มีความทุกข์ใจวุ่นวายใจเราต้องหมั่นชำ่ละอกุศลที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเครื่องที่ทำให้จิตใจไม่สะอาดให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปและให้หมดไปในที่สุดอกุศลนี้ก็มีอยู่สิบประการด้วยกันทางกายมีอยู่สาม ทางวาจามีอยู่สีณทางใจมีอยู่สรวมกันเป็นสิบอกุศลทางกายได้แก่อะไรก็คือ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์สการประพฤติผิดประเวณีาการกระทำทั้งสามนี้ถ้าทำไปแล้วจะนำความไม่สบายใจ มาให้แก่ผู้กระทาและจะมีโทษตามมาต่อไปอการกระทาทางวาจาก็มีสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งการพูดโกรสองการพูดคำหยาบสามการพูดเพอเจอ้อสี่การโทษส่อเสียดยุยง ให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีการพูดอย่างนี้จะนำความไม่สบายใจความทุกข์ใจมาให้แก่ผู้พูดถ้าละเว้นได้ก็จะทำให้ผู้พูดมีความสบายใจไม่มีความทุกข์ใจอกุศลทางใจก็มีอยู่สามคือหนึ่งความโลภ สองความโกรธสามความหลงถ้ามีความโลภเกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้ามีความโกรธขึ้นมาเมาื่อไรก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อนั้นถ้ามีความหลงเกิดขึ้นมาเมาื่อไหรก็จะมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเกิดขึ้นม า, ท, าทันที ดังนั้นต้นเหตุของความวุ่นวายใจความไม่สบายใจความทุกข์ใจนี้อยู่ในกายวาจาใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่อยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นเพียงเหมือนกับเป็นชนวนที่จะมาจุดระเบิด ที่มีอยู่ในใจของเราให้ลุกขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่มีระเบิดอยู่ภายในใจชนวนก็จะไม่สามารถทำให้ใจของเราระเบิดขึ้นมาได้ากายวาจาใจของเราที่มีลูกระเบิดอยู่นี้ก็คืออกุศลทั้งสิบประการ น, นี้เอง ถ้าเราไม่มีอกุศลสิบ ป, ประการอยู่ในกายวาจาใจของเราไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะเจริญหรือจะเสือ่อมจะดีหรือจะร้ายจะไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราหวั่นไหวทำให้ใจของเราเดือดร้อนทำให้ใจของเราไม่สบายใจได้เลย เช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแท่นได้ชนละกายวาจาใจจนสะอาดบริสุทธิ์จึงไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจปรากฏขึ้นในใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของพวกเราตอนนี้ ยังไม่ได้รับการชำระกายวาจาของพวกเรายังไม่ได้รับการชำระเรายังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดพูดคำหยาบพูดเพ้เจอพูดส่อเสียดยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่จึงทมให้ใจของเราวุ่นวายไม่มีวันหมดไม่มีวันจบ วุ่นวายอยู่แทบทุกวันวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆวุ่นวายกับเรื่องของราบยศสรรเสริญวุ่นวายกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ ท, ที่เรามาสัมผัสรับรู้ถ้าเราหมัน่นชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาความวุว่นวายใจต่างๆก็จะหมดไป พระพุทธเจ้าจิงทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้มาชาระกายวาาใจให้สะอาดขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับเรามีวันหยุดทำงานเราก็มาทำความสะอาดบ้านมาซักเสื้อผ้า มาล้างรถมาทำความสะอาดกับสิ่งต่างๆถ้าบ้านช่องสะอาดเรียบร้อย <c oughs> ก็จะให้เราอยู่อย่างมีความสุขถ้าบ้านช่องเกะกะสกโปกรกดุงนํำหาอยู่ก็ไม่มีความสุขใจของเรากายวาจาของเราก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีอกุศลอยู่ กับกายวาจาใจแล้วใจเราจะมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจมีแต่ความวุ่นวายใจเราจึงต้องพยายามชำระอกุศลทางกายทางวาจาและทางใจด้วยศีลด้วยการภาวนาศีลนี้ก็จะมา ชำระอกุศลทางทางร่างกายกับทางวาจาเช่นเราวันนี้ก็มาละเว้นมาสมาทานศีลห้าลิศแปดนห้าก็คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดตระเวนีโกหกหลอกลวงไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอไม่พูดส่อเสียด นี่เรียกว่าศีลคือการกระทําทางกายทางวาจาถ้าเรามีศีลการกระทําทางกายทางวาจาของเราก็จะสง บ, บเรียบร้อยจะไม่สร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้เกิดกับใจของเราแต่ศีลไม่สามารถที่จะชําระอกุศลภายในใจได้ อกุศลภายในใจก็คือความโลภความโกรธความหลงจะต้องใช้การภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนามากรรมจัสมาชําละการภาวนานี้ก็เพื่อทําการลดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปให้อ่อนกาลังลงไป และให้หมดไปในที่สุดการจะทำสำัมผนะัสภาวนาเพื่อทำใจให้สงบได้จำเป็นจะต้องมีการเจริญสติสติเป็นเหตุที่จะทำให้ใจสงบใจสงบแล้วความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงก็จะพักตัวชั่วคาา เวลาใจสงบนี้จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจแต่เป็นการหายไปเพียงชั่วคราวเพราะหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วความโลภความโกรธความหลงก็จะหวนกลับคืนมาความโลดความโกรธความหลงนี้มากับความคิดปรุงแต่งของเรา ถ้าเราคิดปรุงแต่งก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงเช่นเวลาเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาอยากได้ความโลภก็คือความอยากได้ความโกรธก็คือความไม่อยากได้ไม่ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรับรู้ แต่เราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมบังคับได้เสมอไปเราจึงต้องเจอกับสิ่งต่างๆที่ทำให้เราดีใจบ้างเสียใจบ้างเพราะว่าเรายัางไม่สามารถทำใจของเราให้สงบได้นั่นเองถ้าทำใจให้สงบได้ ใจของเราก็จะไม่ได้มีความโลภความโกรธความหลงกับเรื่องราวต่างๆพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความทุกข์ใจความไม่สบายใจที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี่ในเรื่องต้นเราต้องทำให้สงบด้วยการเจริญสติ เช่นการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใจของเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจเราอยู่กับพุโทโธไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะว่างใจเย็นจะสบายพอมานั่งหลับตาใจก็จะเข้าสู่ความนิ่งสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่พอสงบเต็มที่แล้วก็จะปรากฏความสุข ที่เกิดจากความสงบของใจที่เกิดจากการระงับการทำงานของความโลภความโกรธความหลงแต่พอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดปรุงแต่งก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงตามมาถ้าอยากจะให้หยุดความโลภความโกรธความหลงก็ต้องใช้ปัญญาใช้วิปัสสนา คือความจริงของโลกนี้มาสอนใจตอนนี้ใจหลงอยู่กับความไม่จริงของโลกมองไม่เห็นความจริงของโลกมองกับตาละปัดแทนที่จะมองว่าเป็นอนิจจังก็มองว่าเป็นนิจจังคือแทนที่จะมองว่าไม่ถาวรไม่เ ท, ทนนาาี่ยงแท้แน่นอนก็มองว่าถาวรเที่ยงแท้แน่นอนแทนที่จะมองว่า ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ก็ไม่มองอย่างนั้นกลับมองว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นตัวเราเราต้องควบคุมบังคับให้เขาอยู่ให้เขาเป็นไปตามความต้องการตามความอยากของเรา พอเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่สามารถควบคุมให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้ใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ของใจเรานี้เกิดจากความอยากเกิดจากการที่มองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามีปัญญาสอนใจให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ความหลงก็จะหายไปพอความหลงหายไปความอยากก็จะไม่มีเพราะไม่มีใครอยากจะเข้าหาความทุกข์กันแต่ที่พวกเราเข้าหาความทุกข์กันทุกวันนี้ก็เพราะเรามองไม่เห็นความทุกข์ในลาบยศสารเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผพถะนี่เองเรากลับมองเห็นว่าเป็นความสุข อยากได้ลาบกันอยากได้ยศกันอยากได้สรรเสริญกันอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ไม่เคยคิดว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ ของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าไปได้ของดีก็กลายเป็นของไม่ดีไปได้แล้วก็มีเกิดก็ต้องมีดับไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่อย่างถาวรมีมาแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ต้องไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเช่นมีการเจริญรากก็ต้องมีการเสื่อมราก มีการเจริญยศก็ต้องมีการเสือ่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์สลับกันไปสลับกันมาเพราะนี่คือความจริงของโลกนี้เป็นอย่างนี้ผู้ที่เห็นความจริงของโลกก็จะไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญยะไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกปีนกาย พอไม่มีความอยากได้ก็จะไม่ทุกข์กับการเจริญหรือการเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขลาบจะเจริญก็ไม่ดีออกดีใจลาบจะเสื่อมก็ไม่เสียอกเสียใจเพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งใจมีความสงบมีความจลาดที่ ทำให้ใจสงบทำให้ใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพอใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มเกิดขึ้นมาที่สามารถที่จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรต่างๆในโลกนี้ได้ดังนั้นเราต้องพยายามเจริญสติให้มากๆเพื่อที่จะได้ควบคุมความคิด ไม่ให้คิดไปหาลาบยศสารเสญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอใจเราไม่คิดแล้วเราก็จะไม่มีความโลภพอเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่มีความโกรธความโกรธนี้ก็เกิดจากความโลภนี้เองเวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา เช่นเวลาขออะไรจากใครเขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขานี่ก็คือปัญหาของใจของเราความโลภของเราก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไม่เห็นอริย ส, สัจสีไม่เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากความอยากเกิดจากความ หลงที่ไม่เห็นอนิจนาานนจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่หลงก็จะไม่อยากพอไม่อยากก็จะไม่ทุกข์พอไม่ทุกข์ก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันและได้มีอยู่กับ ใจของท่านมาตลอดเวลาแม้ขณะ น, นี้ใจของพอระพุทธเจ้ากับใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ยังมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าใจนี้ไม่มีวันตายนั่นเองใจของพอระพุทธเจ้าก็ไม่ตายใจของพวกเราก็ไม่ตายแต่ต่างกันตรงที่ใจของพอระพุทธเจ้าของพออาาระอรหันต์นี้ มีแต่ความสุขตลอดเวลาแต่ใจของพวกเรานี้มีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาน่าจะมีอย่างนี้ไปต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่สามารถชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนั้นเราจึงต้องพยายามมาชำระอคุสลทั้งสิประการนี้ ให้หมดไปจากใจให้ได้ถ้าหมดไปแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีร่างกายเราก็อยู่ได้มีความสุขได้เพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเหมือนคนขับกับรถยนต์อันนี้เป็นคนละส่วนกันคนไม่มีรถยนต์เขาก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อน แต่คนที่ติดรถยนต์นี้จำเป็นจะต้องหารถยนต์มาขับอยู่เรื่อยๆเพราะว่ายังอยากจะไป น, นั่นอยากจะไานี่อยู่ฉันใดคนที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงใจที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงก็ยังอยากจะมีสิ่งต่างๆอยู่ยังอยากมีลาบยศสรรเสริญ ยังอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่พอมีความโลภความอยากเหล่านี้ก็จะต้องทำให้ต้องไปหาร่างกายมาใช้เป็นเครื่องมือ mm. ก็ต้องมาเกิดมาเกิดมาเกิดแล้วก็ต้องมาทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมาทุก์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเรา เวลาเราอยากมาเกิดเราคิดว่ามาเกิดแล้วเราจะมีแต่ความสุขเพราะเราจะได้าดลาภยศสรรเสริญได้รูปเสียง ก, กลภภิ่นรสผดเถรพามาบำรุงบำเลงแต่เราไม่มองไปว่ า, าลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียง ก, ก, กลภภิ่นรสผดเถร่นี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ให้ความสุขเราเสมอไป เวลาที่เขาไม่ให้ความสุขเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจร้องหอมร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับและอาจจะถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเป็นอมัมพฤกษ์เป็นอัมาพาตหรือเวลาที่หมอบอกว่าเป็นโรคร้าย รักษาไม่ได้รักษาไม่หายเวลานั้นใจของเราจะวุ่นวายเพราะความหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรานี้แต่ถ้าเราหมั่นชำระความหลงอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงอาการส2สอง เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดดทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกับรถยนต์ที่ประกอบมาจากวัตถุวัสดุต่างๆเช่นมะประกอบด้วยเหล็กด้วยยางด้วยพลาสติก ด, ด้วยแก้วด้วยกระจกของเหล่านี้เป็นธาตุเรียกว่าธาตุดินร่นางกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ก็คือดินน้ำลมไฟ เหมือนกับรหยนต์พอร่างกายนี้ตายไปมันก็ธาตุทั้งสี่ก็แยกตัวออกไปแต่ผู้ที่มาขับร่างกายมาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆนี้คือใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายถ้าเรามันสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรใจของเราจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์ จะไม่เดือดร้อนจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายได้อันนี้แล้วคือที่พึ่งทางใจของพวกเราอย่าไปยึดติดกับลาบยศสารเสริอกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมาเป็นที่พึ่งเพราะเขาจะไม่ให้เราพึ่งได้ตลอดเวลาเวลาเขาอยู่เขามีก็พอจะพึ่งได้ แต่เวลาเขาหมดไปจากเราไปเวลานั้นเราจะไม่มีอะไรพึ่งขอให้เรามาพึ่งการชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธินี้จะดีกว่าเพราะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงถ้าเราชำระกายวาจาใจของเราให้หมดตัดสจัจอกุศลทั้งสิบได้มนาะใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดรอ้อนกับ เหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายนอกทางของร่างกายเราก็ดีหรือเหตุการณ์ที่เกิดกับร่างกายเราก็ดีเ <_ d ust> ช่นความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ทำให้เราสะเทือนใจเลยจะไม่ทำให้เราทุกข์เลยเราจะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสงบได้อย่างสบาย เพราะความสงบนี่แหละเป็นเหมือนเกราะพุ่มกำจิตใจที่ลูกกระสุนไม่สามารถที่จะเข้าทะลุเข้าไปได้คนที่สวมเกราะเสื้อกันกระสุนเวลาถูกกระสุนยิงก็จะไม่เข้าไปถึงเนื้อจะติดอยู่กับที่เกรอะนี้ฉันใดเหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่สามารถทะลุทะลวง เข้าไปสู่ในใจของเราได้ถ้าเรามีความสงบเป็นเกาะคุ้มกันถ้าเรามีความสงบที่เกิดจากการชำระอกุศลทั้งสิประการนี้เองนี่แหละคือภารกิจของพวกเราที่แท้จริงคือการนาชำระอากุศลทั้งสิบประการนี้ไม่ใช่การหาลาบยศสารเสริญ หาความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายที่จะไม่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจของเราไม่ให้ความทุกข์ทะลุทะวงเข้ามาสู่ในใจของเราได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาชำระอกุศลทั้งสิบนี้ให้หมดไปจากใจเพื่อจิตใจจะได้มีแต่ความสุข ให้ท่านได้นำเอาไปพิิพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนะตรายและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีหลาความสุขและคการเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากัรเธอ